ในช่วงเย็นวันนี้ก็คงจะได้คุยกันแบบสนทนานะก็เรียกว่าตอบแหลกแบบแหกไข่ดาวชน น, นหมวอเขียวตอบแหลกแบบแหกตอบแหลกคนแหกข่คายจริงอยากจะอยู่จนจบรายการนะ <c oughs> นี้ยมเขาจ้างเทพเขามาทอดร้อป่าวันที่ห้า ก็ไนิยสร้างถนนขึ้นเขาแล้วอัดลูกหลังอัดลูกหลังเอาไว้แต่ว่ายังไม่ได้เทคอนกรีตโยมเข้าไปเห็นเข้าก็าเลยเว่าเอาเป็นเจ้าภาพเทคนเเอนกรีตประมาณกิโลหนึ่งก็เลยว่าคุณจะทําเป็นแปรพาร่านะไม่ดูว่าจะทําได้เท่าไหร่เดีวันที่ห้าวันที่ห้าถึงวันที่สิบไปจัดงานปฏิบัติสักหวันที่แรกวันยาวันที่สิบถึงวันที่สิบห้าก็เลยว่า คณะกรรมการทางนี้ตั้งใจว่าจะล้างพิษอาตมาหน่อยว่าอย่างนั้นก็เลยได้กลับมาล้างพิษไม่มียมจะพ่วงมาหลายคนไม่รู้จะคมกี่จะรับหรือเปล่าสงสัยเด็กเส้นจะเป็นต้องรับกันเนาะก็เรื่องของงานถ้าอยู่กับวัดก็มาได้พักเอามาออกมาอย่างนี้ถี่มามาได้พักแต่ก็มีงานที่ชอบชอบ อีกหลายอย่างที่ที่พยายามที่จะทําแย่งเวลาทําเพราะฉะนั้นช่วงเช้าช่วงเย็นมาไม่เคยได้ลงมาทันทีเพราะโยมเดี๋ยวนี้โยมฉลาดคือเมื่อก่อนเนี่ยทําบรรบ ญ, ญายชุดต่างๆเนี่ยเขียนใส่ซีดีใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเขียนใส่ดีดด แ, ดแล้วเอาลวงแฟลชได้ไม่แฟลชแลอยู่เป็นกรำเลยที่นี่คนนั้นอยากไรทันสมัยขึ้นถ้าแต่ได้อันนึงก็ สี่กิกแปดกิกก็ดังหลายแผน่นนี่ถืออันนี้อันเดียวเนี่ยเล็กๆอย่างนี้แต่ น, นี่มันทันสมัยไงเนาะถือแค่เนี้ตัวแค่นี้ได้ได้ถึงแปดแผน่นเก้าแผน่นสิบแผน่นอะไกันเนี่ยแปดกิกเหลืออันเดีสิบกว่าแผน่นท่านเขียนเป็น mp สาเพราะนั้นก็เลยต่อไปก็ไม่ตรงมาซื้อเครื่องเงยเล่ น, น, นอันนี้จําใส่ไหนก็ฟังได้เลยยิ่งอเมริกาก็ไม่ต้อาเขียนแผน่นทายากเขามีอะไร ipad iphone อะไรนะ ใส่เข้าไปในก็ฟังกันได้ทั้งวันทั้งคืนจำเส่งหูเลยเพราะนั้นเราจะเห็นว่าการเผยแพร่สื่อเดี๋ยมีหลายรูปแบบนะงานที่มาทำก็นอกจากงานสนามนี้แล้วงานเรื่องตัดต่อเอ็พตัดต่อวิดีโอเรื่องเขียนหนังสือแปลหนังสืองานหน้าทำเท้งนั้นก็แล้ววันน่าจะมีสัก50สชั่วโมงไม่เที่ยได้พอทำงาน เ, าเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นเวลาไม่พอทางาน แต่งานที่ชอบเบียคืองานปฏิบัติเป็นงานที่รวบรวมพลังของสติสมริติปัญญาเป็นหมวดหมู่เวลาเราไปทำงานก็ดีเวลาไปใช้งานละเอียดในการใช้สติปัญญาสมองอะไรต่างๆมันจำเป็นจะต้องมีตัวนี้อีกอันหนึ่งก็คือในช่วงปฏิบัติเนี่ยก็คือโยม ที่เขาฟังซีดีหรือฟังเอ็ทแล้วเนี่ยก็ไปปฏิบัติเอาเองเมื่อปฏิบัติเอาเองแล้วก็บางคนอย่างหลายเมื่อวันก่อนเก็บอารมณ์ตัวเองเป็นเดือนทีนี้พอพอเก็บอารมณ์ไปแล้วก็ติดอารมณ์ติดอารมณ์ก็โทรเข้ามาถามหรือบางคนเขเข้าใจดีๆแต่ว่ายังไม่แน่ใจในสิ่งที่เข้าใจว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ต้องการการยืนยัน อันนี้ก็เป็นผลดีตรงที่ว่าการใช้สื่อเนี่ยคือบาทีไม่ต้องเดินทางมหาคุบาลอาจารย์เป็นระยะไกลแล้วก็สิ้นเปลืองน้อยก็ทำอยู่ที่บ้านในกรณีคนนั้นเ็ามีศรัทธามีปัญญามีใจที่เด็ดเดี่ยวสามารถที่จะล็อกสิ่งแวดล้อมต่างๆนีม่มาให้ลบ ก, กวนได้ขังตัววว้ในห้องเ็าเก็บอารมณ์ในห้องไลายที่เชียงรายเนี่ยเป็นเดือนๆ น, นวันนี้ก็นสงสารคนหนึ่งโยมที่ระยอง อ, อผมเก็บปฏิบัติอยู่ที่บ้านอยากจะมาพบหลวงพอ่อทาไมไม่มาเมีมยไม่ให้มาขอมขออนุญาตเมียเมีมยว่าให้มาเอาไปอย่างนั้นพรุ่งนี้ถ้าผมไม่ได้หาพรุ่งนี้ผมก็หาโอกาสขโมยเมียหนีไปที่แพร่ก็แล้วกันนะโอ้มไม่ได้ต้องให้มีอนุญาตนี่ยอย่างนี้ก็มีนะคนที่เขามีศรัทธาจริงจริงดังนั้นก็อยากจะให้ผู้มาปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่อยากจะ ให้เสียเวลาเล่นล่อนไปตามวิธีการต่างๆให้เสียเวลาเพราะว่าในหลักการอันเดียวกันเนี่ยหลักการของเรื่องสติสัมยาทุกสายทุกวิธีการพูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าในวิธีการนําเสนอการใ ช, ใช้ถ้อยคําสํานวน หรือการสื่อความหมายที่จะให้เข้าใจช้าเข้าใจเร็วเข้าใจลึกเข้าใจตื้นเข้าใจถูกจากเข้าใจผิดเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะอั น, นั้นเองก็พูดถึงเรื่องของสาระคือสติสมาธิปัญญานั่นแหละแต่ว่าว่ากันไปหลายรูปหลายแบบหลายวิธีการแต่ใ น, นเมื่อวิธีการนี้เราเห็นบุคคลตัวอย่างหรือนักปฏิบัติที่ได้นํามาเสนอแต่ละ ท่านในสายงานนี้เราก็พอจะอฟังรู้ดูออกบอกถูกว่าในวิธีการนี้มันเข้ากับเราหรือไม่เรารับได้หรือไม่เนี่ยเมื่อเรารู้สึกว่ารับได้ใช้เป็นเห็นถูกแล้วก็ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแสวงหารูปแบบหลายๆอย่างให้มันเสียเวลานะ เราก็พยายามที่จะศึกษาเรื่องนี้ในรายละเอียดเรื่องนี้ไปเรื่อยๆมีโยมนักปฏิบัติของเราวันนี้คนหนึ่งถามน่าสนใจในช่วงก่อนที่ออกปฏิบัติหลังจากฉันเพนแล้วนะถามเรื่องของการศึกษาเรื่องของการศึกษาในหลักรูปเนี่ยมันมันแปลงเป็นนามได้อย่างไรนามนี่มาแปลงเป็นรูปได้อย่างไรเป็นคำถามถามที่น่าสนใจมาก เอ่อรูปทั่วไปเนี่ยรูปแบบที่ไม่มีจิตวิญ ญ, ญาณเนี่ยทำไมมันจึงไม่มีนามแต่รูปที่มันมีจิตวิญ ญ, ญาณเะทําไม่มีนามนามเกิดจากรูปได้อย่างไรเคยคิดไหมคาถามนี้นอมาก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาสามารถทำวัตถุให้เคลื่อนไหวได้โดยที่ไม่ต้องมีจิตวิญ ญ, ญาณ แต่ทำเสมือนว่ามีจิตวิญญาณเช่นหุ่นยนต์รถยนต์เครื่องยนต์กลไกทั้งหลายเนี่ยเพียงแต่เติมธรรมชาติทาสีเข้าไปให้มันสมดุลกันอย่างรถเนี่ยก็คือดินน้ำลมไฟมันก็วิ่งได้ถ้าทำงานได้หนักมากกว่าเราอีกก็ใช้หลักของดินน้ำลมไฟนะั่นแหละเข้าไปให้สมดุลกัน พ็เรารู้ว่าตัวไอพลังงานคุณจะจรันง่วงใช่ไหม <c oughs> ยังง่วงอยู่นะ <c oughs> ลืมตาอย่าไปหลับตาียหลับตาก็ง่วงเลยนะลืมต า, มาง่วงแต่ว่าตาหนั ก, นกเนาะดุ่นดุ่มลงต่อยตามาหลายวั น, นตาบวมอยู่นี่นะพยายามถ้าไม่หลับตามันง่วงไม่ไม่ได้หรอกถ้าหลับตานะ่มันง่วงแน่นอนนะ <c oughs> ทีนี้มาดูว่า ตัวหลักการว่ารูปมันกลายเป็นนามได้ไงแล้วว่ารูปกับนามอันนี้เป็นภาษากรรมาฐานถ้าเป็นภาษาของวิทยาศาสตร์เราเรียกว่าอะไรสสารและพลังงานใช่ไหมอะโมเลกุลเอนิชีสสารและพลังงานที่พลังงานก็พลังงานก็เป็นนามสสารก็เป็นรูป นะทุกอย่างเป็นสสารและพลังงานในตัวของมันที่นี้ตัวเราก็คือรูปก็คือคือสสารพลังงานก็คือตัวรู้เป็นพลังงานแล้วพลังงานที่เกิดจากรูปได้อย่างไรเรามาดูตัวอย่างรถยนต์อันนี้ว่าเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องรูปเรื่องนามในแง่ของวิจัยกันนะธรรมวิจยะในแง่ของรถยนต์เนี่ยเวลาเราใส่ตัวเชื้อเพลิงลงไป เราเลียวพลังงานแต่ความจริงไม่ใช่พลังมันก็คือเชืเ้อเพลิงเป็นรูปอันหนึ่งนะเป็นน้ํามันอย่างเงี้ยเติมเข้าไปเมื่อน้ามันเติมเข้าไประบบหัวฉีดฉีดทําน้ํา ม, มันให้เป็นฝอยละเอียดที่สุดแล้วไปสปาร์กกับแรงไฟแล้วกเกิดการระเบิดแรงระเบิดของมันก็ทําให้เกิดพลังงานและการระเบิดนี่ถูกอัดลงไปในลูกสูบ เกิดพลังงานอย่างแรงแล้วไปหมุนใดส่วนต่างๆให้ทํางานเพราะฉะนั้นรถทุกคนก็จะต้องมีเสียงดังคือดังจากแรงระเบิดของซึ่งจากตัวน้ํามันกลายเป็นอนุภาคกลายเป็นนิวเคลียตแล้วกลายเป็นแรงระเบิดแล้วแรงระเบิดอัดลงในลูกสูบลูกสูบก็เกิดการขับเคลื่อนเกิดพลังงานขึ้นมาเนี่ยอันนี้นี่หลักที่หยาบๆที่เราเห็นจากเครื่องยนต์กลไกใช่ไหมทีนี้มาถึงตัว สิ่งที่มีจิตวิญญาณบ้างสิ่งที่มีจิตวิญญาณก็คือเราเนี่คือธรรมชาติธาตุสี่ใช่ที่เราต้องเติมเชื้อเพลิงทุกวันเติมดินเติมน้ำดุมไฟทุกวันกินข้าววันสามือ้อสองมื้อสามสามือ้อมื้อเดียวเนี่ยเติมเชื้อเพลิงพลังงานนึ่งไปแล้วพลังงานล่วนี้ก็จะไปแปลสภาพเป็นเสมือนน้ำมัน <c oughs> คือธาตุอาหารต่างๆก็เกิดเข้าไป บัมบูงเซลลต่างๆเซลเหล่านี้เซลล์เก่าตายไปเซลล์ใหม่เกิดขึ้นเซล์ใหม่ถูกสร้างขึ้นเซล์ใหม่ตายไปตายไปเกิดแรงระเบิดของเซลลเก่าเซลเซลลใหม่ที่มีพลังเมื่อถึงอายุมันก็ระเบิดแตกไปแตกไปก็เกิดเป็นพลังงานพลังงานตัวนี้ก็กลามาเป็นความรู้สึกความรู้สึกทางกายความรู้สึกทางกายแปลสภาพเป็นความรู้สึกทางจิตเป็นความรู้สึกเป็น พลังงานเป็นนามเห็นไหมเพราะตามหลักมันก็ว่าในส่วนที่เป็นอนุทุกอนุหรือเซลล์ทุกเซลล์มันเป็นนิวเคลียสที่มันต้องอหมุนในตัวรอบในตัวของมันเองใย่ตามหลักวิทยาศาสตร์มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามหลักของนิจังเซลล์ทุกเซลเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแม้แต่สิ่งที่ไม่มีจิตวิญญาณมันก็เปลี่ยนแปลงแตกดับอยู่ตลอดเวลาหรือว่าความเสื่อมแต่ทําไมวัตถุภายนอกจึงเห็นช้าไม่เหมือนวัตถุ คือรูปนามอันนี้เพราะเซลล์เดี๋ยวี้มันอ่าอ่ามันเชื้อเพลิงมันต่างกันตัวนั้นมันไม่ได้กินเชื้อเพลิงกันแตกดับมันก็ช้าแต่นี่เราเติมเชื้อเพลิงเข้าไปการแตกดับมันไวออกมาเป็นพลังงานและพลังงานตัวนี้ก็ออกมาเป็นความรู้สึกที่เป็นนามดังนั้นคําถามแรกเมื่อวานที่สอบอารมณ์จําได้ไหมถามว่าไงรูป ก, กับนามอะไรเกิดก่อนใช่ไหม บางคนสอบตกยังขัดใจอยู่นี่ว่าบอกให้เฉลยเฉลยวันนี้จะเฉลยแล้วนะรูปกับนมามอันไหนเกิดก่อนอทีนี้ธรรมชาติท่าสีคนจริงถ้าจะว่าตามหลักปรัตญาแล้วมันมีไม่มีอันไหนเกิดก่อนกเกิดพร้อมๆกันแหละเขาเรียกว่าหลักอิงอาอทัปปเจยตาอาศัยกันและกันเกิดขึ้นถ้าไม่มีรูปนามก็ไม่เกิดถ้ามีนามรูปก็เกิดไม่ได้ ภาวะที่เป็นที่อิงอาศัยนะ น, นั้นเองในการรู้เราก็จึงรู้ทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันนั่นแหละรู้รูปรู้นามนะไปเรื่อยๆคือรู้ความรู้สึกทางกายเป็นรูปนะรูปนามความรู้สึกทางจิตเป็ น, นเป็นนามและเป็นนามรูปด้วยความรู้สึกทางจิตที่ยังไม่เป็นความคิดก็เรียกว่าเป็นนามความรู้สึกที่เป็น อวิชาเข้าปรุงแล้วก็เป็นนามาลูปนี่เห็นไหมเมื่อเรารู้หลักอันนี้แล้วเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อเราจะได้เห็นหลักของการทํางานของไตรลักษ์ทั้งที่เป็นรูปและทั้งที่เป็นนามเบื้องต้นว่าเรามีการเกิดดับตลอดเวลาของเซลล์จากรูปหยาบเป็นรูปกลางรูปกลางเป็นรูปละเอียดจาก ธาตุธรรมชาติธสีไปเกิดเป็นเซลลจากเซลลเกิดเป็นอนุภาคอนุภาคเป็นปรามานุเป็นอนูอจากอนูเป็นปรามานุจากปรามานุเป็นปรามัตดเห็นไหมปรมัตดก็คือตัวนามจากรูปเนี่ยธรรมชาติธสีย่อยไปเป็นเซลลจากเซลลก่อนที่เป็นเซลมันก็เป็นธรรมชาติดินน้ำน้ำไฟ ย่อยเป็นเลือดเป็นดีเป็นสนองเลดขึ้นไปละเอียดขึ้นไปก็ไปเป็นเซลลเซลตอนนี้ก็เป็นอนุภาคจากอนุภาคเป็นอนูจากอนูเป็นนิวเคลียสจากนิวเคลียสเป็นปรมานูจากปรมาณูเป็นปรมัตเป็นนามไปเลยเห็นไหมระดับการวิวัฒนาการของมันแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ระเบิดในตัวของมันตลอดเวลาไอการเซลลเก่าเซลล์ใหม่ระเบิดเป็นเซลเก่าก็ การกำลังระเบิดก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกขึ้นมาเป็นพลังงานทำให้เราเคลื่อนไหวได้ทำให้หายใจได้ทำให้ตาเห็นได้หูได้ยินได้จมูกได้กลิ่นลิ้มรสได้เป็นพลังงานอันหนึ่งเป็นตัวรู้ออกมาจากปรมานูตัวนั้นทีนี้เมื่อเรารู้จักการวิวัฒนาการของธรรมชาติทาสีที่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจากส่วนหยาบกลางละเอียดเนี่ยก็ทาให้เราเห็นหลักของ อานิจังที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเกิดดับตลอดเวลาเนั้นการเห็นการเกิดดับทางรูปสามารถที่จะลำดับได้ตามหลักของวิทยาศาสตร์แต่การเกิดดับทางน้ำเนี่ยแม้นักวิทยาศาสตร์ก็รู้เห็นไม่ได้เพราะจะเห็นการเกิดดับทางน้ำนั้นต้องพัฒนาอะไรพัฒนาโลกิยาปัญญาให้เป็นโลกุตระปัญญา พัฒนาปัญญาที่เป็นสัญชาตญาณให้เป็นวิปาาัสนาญาหรือปัญญาญาขึ้นมาถึงจะไปเห็นตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นการที่เรามาศึกษาวิปัสนาหรือมาทำสมถาวิปัสนานี่ก็คือมาเรียนรู้เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมาแบบที่พระพุทธเจ้าทรงรำ ม, มาก่อนนักวิทยาศาสตร์ทางรูปธรรมมีทุกยุคทุกสมัยสืบทอดกันมาบางสมัยเสื่อมบางสมัยเจริญตาม อ่าความเปลี่ยนแปลงของโลกแต่ว่าพระพุทธเจ้าได้ค้นพบหลักวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมาเป็นเวลาสองพันถึงสามพันปีเนี่ยยังไม่มีที่ฎีทางรูปนาลูปธรรมที่ไหนมาหักล้างได้ก็ยังคงเหมือนเดิมนั่นเป็นเขาเรียกเป็นอมตะเป็นอมตะธรรมเป็นอมฤตธรรมแต่ว่าในส่วนที่เป็ น, นรูปหรือเป็นวิทยาศาสตร์ทางรูปธรรมนี่เป็นมะตะัตธรรม เป็นธรรมพิเต้องเป็นชาราธรรมท่านไม่ใช่เป็นชาราธรรมเป็นมรตธรรมคือต้องตายต้องเสื่อมไปแต่ในส่วนที่ผู้ใดก็ตามได้ค้นพบพลังงานส่วนสูงสุดที่เป็นปรมัตน์แล้วนี่ก็จะไม่ตายคือหมายความว่ามันจะเป็นภาวะที่ทรงอยู่ที่เราเรียกว่ า, าธาตุนิพพานาธาตุเป็นาธาตุที่มีทรงอ ย, อยู่อย่างนั้นไม่เกิด เนื้อการเกิดการแก่การเจ็บการตายเมื่อเรารู้หลักอย่างนี้มันดีอย่างไรก็ทำให้เรามาสนใจศึกษาใช้ธรรมชาติท่าตสีอันนี้ให้เป็นประโยชน์ไปในทางสันติภาพแทนที่จะใช้ไปในทางสแสวงหาความ <c oughs> อยากหรือรถ <c oughs> ของตัณหาทั้งหลายมาตอบสนอง ในส่วนที่เป็นธรรมชาติที่เป็นรูปธรรมนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงสนับสนุนให้ศึกษาไม่ทรงสนับสนุนให้พัฒนาท่านใชก้กวณนะสิยาโล ก, กัวัฒโนไม่พึงทําสังขาร น, นี้ให้มันเจริญหรือไม่ทําโลกนี้ให้มันเจริญเกินไปเพราะอะไรเพราะธรรมชาติของ าสีดินน้ำลมไฟเนี่ยเมื่อแยกแตกตัวเป็นอายตนาทักหมกแล้วเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดอาศะทะคือรสชาติในตาหูจมูกลิ้นกายใจอาศาทะอันนี้มันจะเป็นต้องเลี้ยงตัวมันเองก็คือจะต้องมีธรรมชาติดึงดูดมีรสชาตินีสัมพัสัททั้งหลายผู้ไม่ได้สดับธรรมะของพุทธองค์แล้วก็จะไปหลงเอา ตัวรสชาติที่เกิดจากอายัดทั้งหนี้เป็นตัวตนไม่มีวิปัสนาญาณที่เขไปรู้เท่าทันถึงธรรมชาติเช่นตาเห็นชอบหูได้ยินชอบจมูกได้กลิ่นชอบ ล, ล, ลิ้นลิ้มรสอร่อยมีแต่จะเพิ่มจํานวนความอยากเหล่านั้นให้มากขึ้นมากขึ้นเมื่อเพิ่มจํานวนแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์ทั่วไปมันเพิ่มจํานวนตามสรรชาติญาณ พอมันกินอิ่มแล้วมันก็หยุดแต่ถ้าหากว่าเป็นสัตว์มนุษย์นั้นมันพิเศษขึ้นไปสามารถพัฒนาสัญชตาตญาณให้เป็นปัญญาญาณก็ได้แต่ใ น, นเมื่อไม่สามารถพัฒนาสัญชตาตญาณเป็นปัญญาญาณได้ก็จะพัฒนาสัญชตาตญาณให้เป็นตันหาให้เป็นอวิชาตันหาอะทานอันนั้นก็หมายความว่าจะเป็นเชื้อไฟที่ไม่สามารถควบคุมได้ ตัวสัญชตาตญาณนั้นเป็นเหมือน raw material คือเป็นวัตถุดิบสามารถจะใช้ไปทางบวกก็ได้ทางลบก็ได้ดังนั้นการทำวิปัสสนากรรมฐานที่พระพุทธองค์ทรงสอนเนี่ยก็คือการนำเอาตัวขบวนการสัญชตาตญาณมาแปลสภาพให้เป็นสติสมาธิปัญญาตามลำดับ นะเมื่อเป็นอย่างนี้เราทั้งหลายก็มาศึกษาวิปัสสนากันเพื่อที่จะเข้าใจหลักเกณฑ์อันนี้โดยนําพูดเป็นหลักแบบกรรมฐานหรือหลักแบบวิชาทางธรรมก็คือเรียกว่าไตรลักษ์มาศึกษากฎของไตรลักษ์แต่ว่าน่าเสียดายว่าเราศึกษากฎไตรลักษ์ค่อนข้างยากไม่ลงลึกไม่ลงในรายละเอียด เมื่อเห็นเช่นนี้เราก็ไม่เห็นรากไม่เห็นนรูตไม่เห็นที่ไปที่มาของอนิจจังอย่างลึกซึ้งเมื่อไม่เห็นอนิจจังทุกขังหน้าตาอย่างลึกซึ้งแล้วเราก็จะไม่เกิดความเบื่อหน่ายคลายจางในอาสาทะคือความยินดีพอใจในตาหูจกมูกลิ้นกายใจไม่เกิดนิพพิทายานเพราะไม่เกิดความเบื่อหน่ายจางคลาย ในอาสาท่าที่เกิดในอายตธนะทั้ง6ต่อเมื่อเรามาเจริญตัวรู้สึกตัวให้เกิดสติสมาธิปัญญาแล้วตัวนี้ก็จะเป็นพลังงานอันละเอียดเป็นพลังงานที่ละเอียดย่อยละเอียดให้ลึกลงไปอีกเสมือนเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะตรวจโรคทีหนึ่งหมอก็ต้องใช้หลักการตรวจอาศัยเครื่องมือแพทย์โดยผ่านจากการ ลึกลึกลึกลงไปสู่สมุดฐานที่ละเอียดโดยใช้การใช้เอ็กซเรย์ต่อมาพัฒนาขึ้นมาอีกหน่อยก็ใช้อะไรสแกนแคสสแกนพัฒนาขึ้นมาอีกหน่อยก็ใช้ใช้แสงเข้าไปจนกระทั่งว่าละเอียดที่สุด การพัฒนาพลังงานให้ละเอียดลงไปเรื่อยๆสามารถรักษาเ ย, ออยียวยาโรคสมุทฐานทางกายได้ในส่วนที่พลังงานที่เป็นรูปธรรมแต่ในส่วนพลังงานที่เป็นนามธรรมถ้าเราพัฒนาจากตัวศีลให้เป็นตัวสติพัฒนาสติเป็นสมาธิพัฒนาสติให้เป็นปัญญาพัฒนาปัญญาให้เป็นญาณตามลาดับ มันก็สามารถที่ส่องลึกๆลุล่งไปในนามในพลังงานที่เป็นนามธรรมส่องให้เห็นถึงว่าอาวิชชาเกิดขึ้นตรงไหนอ่ะอวิชชากลายเป็นสังขารอย่างไรสังขารก่อเกิดนามารูปอย่างไรก็จะส่งเห็นรากเห็นรูธของทุกไปตามลําดับดังนั้นเองเป็นภาระหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่จะต้องพัฒนาพลังงานในส่วนที่เป็นนามธรรมเนี่ยให้ ละเอียดให้สูงให้คมชัดขึ้นไปเรื่อยๆคมชัดจนสามารถแยกระหว่างความคิดเบื้องต้นระหว่างความคิดกับความรู้สึกตัวออกจากกันคมชัดสามารถแยกความรู้ที่เป็นเวทนาและความรู้ที่เป็นสติออกจากกันเบื้องต้นที่สุดต้องเริ่มณจุดนี้ก่อนเราเรียกว่ารู้จักแยกรูปแยกนามนั่นเองคำามาแยกรูปแยกนามไม่ใช่พา ออกเหมือนกับผลไม้หรือที่เป็นรูปธปรรมแยกรูปยากนามเพียงแต่ว่าเราเกิดความรู้ศึกตัวให้เห็นว่าความรู้ศึกชนิดไหนที่เป็นรูปความรู้สึกชนิดไหนที่เป็นนามเช่นเราเห็นนาการความไม่สบายทางกายส่วนใดส่วนหนึ่งถามว่าเป็นรูปหรือเป็นนามนียถามยมนะถ้ายมไม่ถามธรมะธรรมาก็จะถามยมแลวทีนี้อ ถูกต้องไหมต่อว่าเป็นน้ําถูกต้องไหมต่อว่าเป็นรูปถูกต้องไหมเราเรียกว่ารูปน้ ำ, นำอ่าเพราะมันอาศัยซึย่งกันและกันเกิดในส่วนที่ความปวดเนี่ยมันเป็นรูปนะรู้ว่าตัวเองปวดเป็นน้าตัวรู้ว่าคนทุกคนรู้ว่าตัวเองปวดแต่รู้โดยที่ เข้าไปเป็นตัวรู้ตัวนั้นเรียกว่ารู้แบบสัญชตาตญาณเมื่อเรามาเจริญสติสมาธิปัญญาจนเข้าใจแล้วเมื่อเกิดตัวรู้ไม่สบายเกิดขึ้นแล้วเข้าไปสังเกตเข้าไปศึกษาเข้าไปกําหนดรู้ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเอาตัวรูปของการปวดนั้นออกไปการเข้าไปสังเกตศึกษาตามดูตามรู้ตามเห็นอย่างนี้เราเรียกว่ารู้โดยปัญญา แต่รู้โดยเพื่อที่จะขจัดปัดเป่าความไม่สบายนั้นออกไปโดยที่ไม่มีขั้นตอนในการตามรู้ตามดูตามเห็นเป็นการรู้แบบสัญชตาตญาณซึ่งเป็นสมูทัยแต่ในเมื่อทุกคนก็มีความไม่สบายทางกายสูวนใดส่วนหนึ่งแล้วการเข้าไปจัดการโดยมีสติสมาธิปัญญาตามดูตาม ร, าม ร, ามรู้ตามเห็นก่อนที่จะบาบัดปัดเป่าออกไป แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปบำบัดไปก็ขอให้เกิดนิโรธคือปัญญาเกิดขึ้นสังสมขณะแห่งนิโรธมากขึ้นเรื่อยเยเป็นทั้งสมุทัยและเป็นทั้งนิโรธแล้วแต่ว่าตัวแปรที่สำคัญผู้ที่เข้าไปจัดการเนี่ยมีการฝึกฝนมีการสะดับที่ถูกต้องหรือไม่ ถ้าผู้ที่ฝึกฝนปฏิบัติมามีการฝึกฝนปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นสัมมาทิฏิ <c oughs> ก็สามารถที่จะเข้าไปตามรูตามรู้ตา ม, ามเห็นอาการของทุกขเวทนาทางกายอันเป็นผลผลิตของกฎอนิจจงแล้วก็เข้าไปแยกแยะให้เห็นว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามรมอย่างนี้เรื่อยๆไปจนกระทั่งญาณปัญญาของเรามีความแจ่มชัดมากขึ้น เมื่อมีความไม่สบายหรือทุกขังอันเป็นผลเนื่องมาจากนิจังก็เข้าไปจัดการโดยใช้ ย, ยานปัญญานั้นเข้าไปจัดการแยกให้เห็นชัดอย่างเนี้ยเรื่อยไปแต่เบื้องต้นเราเรียกว่าสติอย่างนี้เรื่อยไปจนกระทั่งว่ากำลังของสติที่เขาไปรู้ไปดูไปเห็นตรงนั้นมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ทำให้สติตรงนี้มีกำลังขยายเป็นสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาตามลำดำับซึ่งตรงนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะไม่สับสนซึ่งเป็นเรื่องที่ตรองตามเห็นได้ตามขาบวนการทางนามธรรมาไม่ใช่เรื่องทางทฤษฎีหรือวิธีการหรือกลไกลอะไรที่ซับซ้อนเลยแต่ว่ามันเป็นสัจธรรมเป็นสัจธรรม ดังนั้นเองจึงอยากจะให้นักปฏิบัติทุกคนเนี่ยอย่ามองข้ามในสิ่งเล็กๆน้อยๆความละเอียดถี่ถ้วนของพุทธองค์ทรงเน้นมากที่ใช้คําว่าโยนิโสมณสิการยิ่งมีโยนิโสไม่ไดการชัดเจนเข้มข้นมากเท่าใดโอกาสที่จะเข้าไปเห็นสิ่งเหล่านี้ละเอียดบราณีถี่ถ้วนมากขึ้นเท่านั้นและโอกาสที่จะเข้าสัมผัสสภาวะตามหลักของพุทธธรรมก็มีมากขึ้น ซึ่งเราจะไม่เสียเวลาในการศึกษาต่อไปแต่ถ้าหากว่าตัววิปัสนาญาณของเรายังไม่ไม่เริ่มต้นระดับใดระดับหนึ่งซึ่งท่านบัญญัติเอาไว้ในวิสุทธิมรรคที่ว่าวิปัสนาญาณสิบหกตั้งแต่นา ม, มารูปปฏิเฉทญาณสมัญนญาณาเป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะอันนั้นทว่าไว้เป็นตำลับตำลาเป็นวิชาซึ่ง ถ้าเราไปพูดถึงเราจะไม่เข้าใจก็จะสับสนว่าเปล่าแต่หลักของมันจริงๆก็คือการที่เราคอยสังเกตความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายในใจอยู่ง่ายๆเพราะใครๆก็รู้ว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นอย่างไรความไม่สบายกายเป็นอย่างไรความไม่สบายใจเป็นอย่างไรเบื้องต้นที่สุดให้ฝึกสังเกตของสองสิ่งนี้ก่อนนะ ให้แยกให้ออกนะอันไหนเป็นความไม่สบายกายอันไหนเป็นความทุกข์กายแล้วก็ให้เห็นอนะ่ะอันไหนเป็นความไม่สบายใจอันไหนเป็นความทุกข์ใจในส่วนที่เป็นเหตุไม่ใช่ส่วนที่เป็นผลในส่วนที่เป็นเหตุซึ่งมันต้องมีความละเอียดประณีขึ้นนะดังนั้นเองในวิชากรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานจึง ต้องใช้อิเดียบทที่อยู่กับที่ค่อนข้างยาวนานเพื่อให้เห็นทุกชัดๆทุกทางกายให้เห็นชัดๆทุกทางจิตให้เห็นชัดๆเสมือนหนึ่งเรายกหม้อกะทิหรือหม้อแกงขึ้นตั้งไฟเราจะต้องใช้เวลาเคี่ยวแกงอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งมันสุกได้ที่ซึ่งอาจจะใช้เวลานา น, านถ้าหากว่าน้ำกะทิหรือน้ำแกงนั้น หรือสิ่งที่ต้มนั้นมันมีความหนักมีความเหนียวมีความแข็งอาจจะใช้เวลาต้มนานจึงจะต้องตั้งไฟอยู่กับที่ใช้เวลานานเคี่ยวอย่างนั้นเราก็เหมือนกันการที่เราใช้อิบอุบทใดอบุหนึ่งเป็นเวลานานๆซึ่งมันฝืนปกติธรรมชาติธรรมดาของเราที่เราอยู่กับบ้านซึ่งมีกา ร, ปรเปลี่ยนอิบตรดูทุกๆสานาทีหรือนาที เว้นแต่มีกรณีพิเศษเช่นอะไรบ้างออนั่งเล่นไพ่นั่งประชุมเล่นหมักลุกเล่นหมาคอตหรือเพลินกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่งดูหนังดูละครนั่งเชียร์โน่นเชียร์นี่นั่นหมายความว่าที่เขาจะอยู่ในบทเหล่านั้นได้ต้องมีแรงจูงใจสิ่งที่เป็นวัตถุดึงใจออกไปจากกายให้มันลืม ในขณะนั้นเราส่งจิตไปสู่อะไรวัตถุที่เป็นแรงจูงใจถ้าไปเล่นไพ่จิตแล้วเขไปอยู่ที่ไพ่ถ้าดูหนังฟังละเพลงแล้วก็ไปอยู่กับเสียงกับรูปไม่ได้อยู่กับตัวเองเขาทิ้งตัวเองได้นานๆเขาจึงไม่เห็นทุกข์เพราะว่าไปเอารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านั้นเป็นตัวเป็นแรงจูงใจแล้วทําให้เราเกิดการหลงลืมความทุกข์ที่เกิดกับรูปนี้เสียจึงไม่เห็นทุกข์ เพราะทุกนั้นถูกกลบเกินและปกปิดเพราะจิตนั้นไปเพลินอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางคนเขาว่านั่งทั้งวัดโดยไม่เปลี่ยนที่และไม่ลุกเลยก็มีเห็นไัยถ้าเกิดความสนุกสนานขึ้นมาแต่ว่าเวลามานั่งกรรมฐานทำไมนั่งแค่สิบนาทียี่สิบนาทีทพลิกไปพลิกมาเปลี่ยนไปเว่นมาจนหน้าเวียดหัวเพราะอะไรเพราะมันเห็นทุกชัดเหลือเกินแต่ว่าการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโดยขาดปัญญาญาณ น, นั้นก็ เป็นการปรับเปลี่ยนที่ขาดทุนศูนย์กำไรเพราะไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยถ้าจะได้คือได้ความเบาได้เปลี่ยนเยียบบทเท่านั้นแต่ว่าสติสมัมปชัญญะไม่ได้เกิดแต่การที่เราจะได้เห็นรูปเห็นนามที่ชัดเจนเราจำเป็นจะต้องให้ความทุกข์ที่ปรากฏในเยเนียบบทนี่ให้เกิดขึ้นให้ชัดเจน ดังนั้นเราจึงนั่งเป็นเวลานานๆเดินไปเวลานานๆบางคนเดินทั้งวันนะเพื่อให้เห็นทุกชัดๆว่าทุกมันเกิดอย่างไรมันอยู่อย่างไรมันไปอย่างไรแล้วสติสมรติปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นก็จะเข้าไปทำหน้าที่แยกให้เห็นอันนี้ทุกทางกายเราจะต้องบำบัดไปเรื่อยๆไม่สามารถที่จะบำบัดให้มันหายขาดได้เด็ดขาดเพราะมันเป็นอะไร มันเป็นกฎของใจรักที่มันจะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่นั้นตลอดเวลาเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเราจะได้เห็นหรือไม่เห็นก็ตามมันก็จะเป็นอยู่นั้นตลอดเวลานั่นเขาเรียกว่าใช้การบําบัดเท่านั้นอันนี้คือเรียกว่าเป็นผลของวิบากที่เราต้องรับมาจากบรรพบรุษที่ต้องมาสวยทุกข์ทางกายกันทุกตัวทุกตนทีนี้ในความทุกข์ทางกายหรือทุกข์เกิดจากใจรักนี้ถ้าไม่ได้รับการ บำบัดแก้ไขโดยปัญญาญาณแล้วความทุกข์ทางกายนี้ก็จะไปก่อให้เกิดความทุกข์ทางจิตอีกและความทุกข์ทางจิตนี้ก็จะมีการแตกตัวแยกย่อยเป็นกิเลสชนิดความทุกข์ชนิดต่างๆเช่นอวิชชาตันหาอุทานกรมราคะโทสะโมหะตันหามานาทิฏฐิแยกย่อยแตกต่างไปเรื่อยๆ ได้อันพันอย่างเรียกว่าอากุศล น, นั้นเองเราในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ที่มาศึกษามาสดับเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราจําเป็นจะต้องศึกษาอย่างเข้าใจโดยที่ไม่ต้องอยากได้อยากมีอยากดีอยากเด่นอยากเป็นอยากเอาแต่เราศึกษาเพื่อให้รู้และความรู้ที่เร า, า ก, การศึกษานี่มันจะถูกสั่งสมเป็นประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ เราจะเกิดความชํานิชํานาญขึ้นมาในการรู้เรียกว่าญาณปัญญาญาณนั้นเกิดขึ้นเพราะทําสิ่งนั้นซ้ําๆจนกายเขาเรียกเอียงหนึ่งเรียกเป็นทักษะในภาษาทั้งโลกเรียกว่าทักษะในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเบื้องต้นเราเรียกว่าทักษะแต่พอทั้งจิตวิญญาณเขาเรียกว่าญาณทัศน์คือชํานิชํานาญในเรื่องนั้นในเรื่องที่เป็นนามธรรมเรียกว่าญาณปัญญาในเรื่องที่เป็นรูปธรรมเรียกว่า หรือว่าเป็นความเป็นวสีเป็นความช ม, ชม น, นิชํานาญหรือว่าเป็นช่างบ้านเราดังนะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการเข้ามาศึกษาการปฏิบัติเรื่องนี้จึงไม่มีข้อแม้เงื่อนไขที่จะต่อรองเอาอะไรกับใครๆเป็นหน้าที่ของเราทุกคนผู้ที่ไม่ต้องการให้ชีวิตนี้ต้องเป็นทุกข์และตกต่ําไปมากกว่านี้จะต้องกู้ชีวิตเรากลับคืนมาให้มันมี ความาเรียกว่าไม่ทุกข์อยู่ในชีวิตนะเพราะเพราะว่าชีวิตดั้งเดิมของเรามันไม่ทุกข์อยู่แล้วแต่เมื่อเราไม่ได้สดับไม่ได้ศึกษาตัวไม่รู้เกิดขึ้นตัวไม่รู้นั่นเองจะก่อให้เกิดทุกข์เราก็ไปกลับไปสู่ตัวรู้ไปสร้างตัวรู้ขึ้นมาจนว่าตัวรู้นั้นสมบูรณ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตัวไม่รู้ก็ค่อยหายไปหายไป เมื่อไรตัวรู้สมบูรณ์เรียกว่าสติสัมยาสสมบูรณ์ตรงนั้นเราก็มีความชำนิชำนาญในการที่จะแก้ทุกรู้ส ม, มุทัยของทุกขมีความชำนิชำนาญในการที่จะสร้างนิโรธในการดับทุกข์และปัญหาได้ตลอดเวลาจนกลายเป็นชีวิตเราจะสมมติสมัยว่าพ้นทุกก็ได้อยู่เนื้อทุกเนื้อสุขก็ได้สมมุติว่าเป็นมรรคผลนิพพานก็ได้ทั้งนั้นเป็นคําสมมุติทั้งนั้น คือภาวะจริงๆือภาวะที่มันไม่ทุกนั่นเองนะแต่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกแต่เป็นภาวะที่ไม่ทุกนะดังนั้นในจุดนี้มันก็มีชื่อสมมติบัญญัติเยอะแยะที่เราจะเรียกแต่ในฐานะที่เราจะสื่อความหมายในสู่ภาคปฏิบัติเอาง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนนะเมื่อเราเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องอย่างนี้แล้วเนี่ยจะทําให้เราเกิดความศรัทธา เกิดวิริยะอย่างถูกต้องเมื่อเกิดสถาวิริยะอย่างถูกต้องแล้วการขอนขวายเพื่อจะศึกษาเพื่อจะทําสิ่ง น, นี้ก็ไม่มีขอบเขต จ, จํากัดไม่ต้องรอว่าให้เปิดอบรมเสียก่อนไม่ต้องรอว่าเมื่อไหร่พระอาจารย์จะเปิดคอร์สไม่ต้องรอเพราะว่าสามารถทําได้ตลอดเวลาการมาร่วมคอร์สร่วมงานอบรมก็มาเพื่อเป็นกําลังใจคนใหม่ เท่านั้นแต่ในภาคปฏิบัตินั้นมันได้เป็นสิ่งที่เราเข้าใจแล้วเราได้ทําอยู่แล้วโดวยความเข้าใจดังนั้นในวิธีการของเามาจึงเน้นที่ความเข้าใจมากกว่าที่จะให้ไปมีรูปแบบอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อเข้าใจแล้วเรารู้ของเราเองว่าทําไปแล้วมันเครียดควรจะทําอย่างไรที่มันจะคลายทําไปแล้วมันคลายเกินไปจะทำไงให้มันพอดีขึ้นมาต้องหาความพอดีในตัวเอง อย่าอย่าไปเอาความพอดีในคนอื่นมาเป็นมาตรฐานเราไม่ได้เราจะเอามาตรฐานของเราไปให้คนอื่นก็ไม่ได้แต่ละคนต้องหาความพอดีด้วยสติปัญญาของตัวเองบางทีเราใช้สติปัญญาคน อ, อื่นที่มาใช้มันอาจจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นท้งนี้อะไรทางนั้นต้องหมั่นศึกษาต้องหมั่นสังเกตว่าทำอย่างไรมันหนักทาอย่างไรมันเบาทำอย่างไรมันรู้สึก ชัดทำใี้รู้สึกไม่ชัดศึกษาไปเรื่อยๆทุกทุย่างก้าวทุกๆการเคลื่อนไหวนะถ้าหากว่าเรามีความศรัทธาและมีความพิถวถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะไม่ละเลยเราจะไม่ปล่อยปละขณะแห่งการเวลาที่เราเคลื่อนไหวนะไม่ว่าอีบทใหญ่อีบทน้อยทําได้ทั้งนั้น ในสมัยครั้งผู้การแม้แต่คนที่มีอาชีพขายเนื้อก็ยังบรรลุทําได้เลยนะคนใช้คนเทอหูชาวไร่ชาวนาซึ่งจะมาได้กล่าวหลายครั้งว่าการที่ได้ฟังเรื่องนี้เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะไม่ทอดทิ้งซึ่งต่างกับคนที่ไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ถูก ซึ่งได้ยกเหตุการณ์ลเรื่องนี้เล่าหลายครั้งว่าระหว่างพระกายุมไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าใจไปคนละอย่างพระพุทธเจ้าตรัสสติปัฏฐานสี่เหมือนกันแต่ว่าผนออกมาคนละอย่างพระก็คิดว่าโอ้สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสวันนี้ละเอียดถีท่วนเหลือเกินเราคงจะมานั่งปฏิบัติในสำนักที่ไม่สงบหรือสำนักที่มีการงานเยอะคงไม่ได้ เพราะว่าไม่สงัดวิเวกก็เลยหอบกดหอบบาดเข้าป่าไปเป็นเวลาสามปีจนกระทั่งไปเกิดสมาธิแบบหนึ่งขึ้นมาแล้วเกิดฤทธิเดชปฏิหารเกิดสำคัญตัวเองผิดว่าเป็นผู้บรรลุแล้วแล้วก็นึกถึงโยมคนหนึ่งที่ตัวเองชวนมาฟังธรรมของพุทธเจ้าด้วยกันว่าจะไปบอกให้โยมว่า มักผลต้องเป็นแบบนี้นะการบรรลุธรรมต้องเป็นแบบนี้นะเพื่อที่จะไปบอกโยมในปีที่สามก็แบกกรวแบกบาดออกจากป่าไปอาศัยว่าตัวเองเคยไปบินทบาทบ้านโยมเป็นประจําในช่วงที่ยังไม่เข้าป่า <c oughs> เมื่อกลับออกจากป่ามาแล้วก็คว้าบาดไปบินทบาทบ้านโยมเหมือนเดิมโยมคนนั้นก็เข้าใจอีกแบบหนึ่งว่าเป็นแม่บ้านมีเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีดูแลครอบครัว ในฟังได้ฟังสถิติประฐานสี่วันนั้นก็เข้าใจว่าออสิ่งที่ผู้องผู้พระองค์พูดถึงนี่หมายถึงว่าไปทำได้ในทุกอย่างเพียงแต่ให้มีตัวรู้ในการกระทำเท่านั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเก็บผักหักฟืนหยิบหยับจับเวยหองข้าวตรงมแกงทำอะไรก็ให้รู้ไปต่อเนื่องโดยไม่ให้จิตไปวิ่งว่นอยู่ข้างนอกให้ตามรู้ไปเรื่อยๆ อย่างชัดเจนเสมอเธอก็ทำตามจนกระทั่งมาเช้าวันนั้นเห็นพระรูปนั้นที่ไม่ได้บิณฑบาตมาที่บ้านเธอมาเป็นเวลาสามปีแล้วเห็นพระเดินมาแต่ไกลก็นึกก็รู้ในใจว่าพระรูปนี้ไปที่ไหนมาเพราะว่าคนที่ตามรู้อย่างต่อเนื่องภาวะของภูมิธรรมเลื่อนขึ้นไปตามลำดับในที่สุด เธอต้องการที่จะสอบอารมณ์พระรูปนี้ว่าผ่านหรือไม่ที่หายไปเข้าใจว่าไปบำเพ็ญธรรมเช่นกันเมื่อพระรูปนั้นไปยืนหน้าบ้านแล้วเธอก็ไม่ได้ถือเอาสำรับกับข้าวออกมาใส่บาตรทันทีอย่างที่เคยเป็นก็ทิ้งให้พระรุปโอ น, นั้นคอยอยู่เป็นเวลาหลายนาทีจนกระทั่งพอสมควรแล้วเธอก็ยกสำรับกับข้าวมาใส่บาตร ใจใสบาดเส็จแล้วก็ถามสารทุกสุขเดี๋ ว, ว่าภูณเจ้าหายไปใน3ามปีไปทมอะไรอยู่ที่ไหนเนื่องจากว่าพระรูปนี้ได้ยืนรออยู่เป็นเวลาหลายนาทีนึกถึงภาพก่อนๆว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเรามาบินทบาทโยมจะกระตือรือร้นออกมาใส่บาทอ่าหรือบางทีออกมายืนรอแต่วันนี้ทำไมจึงไม่เอาใจใส่และเลยเพิกเฉยหมางเมินเป็นอย่างไรนึกปฏิฆะในจิตเกิดขึ้น แล้วตำหนิโยมต่างๆนานาในจิตใจของตัวเองในที่สุดก็เกิดปฏิฆะขึ้นในจิตเมื่อโยมถามนั้นก็สีหน้าก็บึ้งตึงไม่สบายใจในที่สุดโยมก็ทักขึ้นบอกว่าเสียดายนะท่านไปอยู่ป่าทั้งสามปีกลับออกมาแล้วท่านก็ยังกิเลสมากกว่าเก่า อ, อีกตลอดเวลาที่ท่านรออยู่ที่เนี่ย ช่วงแรกท่านคิดเรื่องนี้ใช่ไหมช่วงที่สองท่านคิดเรื่องนี้ใช่ไหมขณะที่ท่านยืนนี่ท่านคิดเท่านี้เรื่องใช่ไหมเอาทำไมโยมรู้เอาทไมจะไม่รู้แล้วจริงหรือเปล่าจริงพระตกใจอารมย์ยุ่ได้ยังไงเอาทไมจะรู้ไม่ได้เพราะว่าพุทธองค์สอนให้เรารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าทำโยมก็ทำตั้งแต่วันแรกที่ไปฟังธรรมกับท่านจนมาถึงวันนี้สามปีเมื่อเรารู้ ใจตัวเองแล้วเรื่องใจของคนอื่นทําไมจะไม่รู้ปรากฏว่าอุบาสิกานั้นได้ภูมิธรรมถึงเป็นพระอนาคามีบําเพ็ญอยู่ที่บ้านแต่พระกลับไปได้โลคิยะโลคิยะสมาธิได้เข้าฌานเข้าอะไรได้แสดงฤทธิเดชบริหารได้แต่ว่ากิเลสยังเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมดังนั้นการมีพลังในการมีฤทธิ์มีเดชกับการกําจัดกิเลสนั้นคนละเรื่องกันไม่ใช่เรื่องเดียวกัน นี่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญถ้าเข้าใจถูกก็ไปได้ถูกทางถ้าเข้าใจผิดก็ได้ไ ป, ไปผิดทางเราจำเป็นจะต้องเน้นย้ำถึงความเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินะเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะต้องเอาณปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ตั้งเสมอเป็นที่ตั้งของการศึกษาเสมอ ในแง่ของโลกุตระเอาณนะปัจจุบันอดีตอนาคตถ้าไม่จาเป็นอย่าพึ่งดึงมาแต่ว่าโน้มีความจําเป็นก็ใช้ได้นะแต่ว่าหมดความจําเป็นแล้วก็ทิ้งไปทิ้งอดีตกลับมาอยู่ปัจจุบันอันนี้คือหลักของการปฏิบัติแต่คนส่วนใหญ่แล้วเมื่อจิตเวียงไปอดีตอนาคตับโคติดไปเลยกลับมาสู่ปัจจุบันไม่ถูกหลุดไปเลยรูดลอยไปต่อไปเรื่อยๆ แม้ว่าผู้นั้นเข้ามาสู่การปฏิบัติมาสู่การฝึกฝนแล้วก็ตาม <c oughs> ก็ยังหลุดลอยไปอดีตอนาคตเป็นไปจำน่ะ <c oughs> <c oughs> นี่คำว่าปัจจุบันในสำคัญนะสาคัญเพราะว่าเราจะเห็นอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในกายในใจ <c oughs> ก็ต้องกลับมาดูอยู่ปัจจุบันแต่เนื่องจากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในปัจจุบันมันเป็นศธรรมมันเป็นความจริง ถ้าหากว่าสภาวะจิตของเราไม่เข้มแข็งไม่แหลมคมพอเนี่ยมันอยู่ด้วยไม่ได้เหมือนเราลืมตาดูแสงตะวันในตอนเวลาทเที่ยงๆเราจะดูมองมันได้ไม่นานเพราะแสงมันกล้าเกินไปเขาบอกว่าแสงแห่งทุกที่ปรากฏในปัจจุบันมันก็กล้าเหมือนแสงตะวันนั่นแหละถ้าสายตาของเราสายญาณปัญญาของเราไม่เข้มแข็งแล้วก็ไม่สามารถที่จะ เพ่งพิริตอยู่กับแสงแห่งทุกที่ปรากฏในตัวของเราได้นานเราก็จะหลบไปอยู่ในอดีตอนาคตแต่ผู้ใดก็ตามสามารถดํารงจิตอยู่ได้ใ น, นปัจจุบันอย่างเสนิทสนมกลมกลืนนั่นหมายความว่าสายตาเข้มแข็งพอที่จะสู้กับแสงพระอาทิตย์ได้เหมือนคนบางคนก็ดูแสงพระอาทิตย์ได้โดยที่ไม่เป็นอตรายเพราะอะไรเพราะสวมแว่นกันแดดเรียบร้อยแล้ว สวมแว่นตาดำเรียบร้อยแล้วนะก็สามารถสู้แสงผ้าที่ได้สบายมีกระจกอ่านกองแสงผู้ที่เป็นได้ศึกษาสัจธรรมก็เช่นนั้นเหมือนกันมีแว่นกรองแสงเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นก็สามารถที่จะดูทุกในปัจจุบันได้อย่างสบายไม่ใช่เปิดตามองนะเรียกว่าสวมแว่นแว่นนี้ก็เรียกวายานทัศน์ธรรมทาโศแว่นธรรมมีในพระไตรปิฎกสานี้ ธรรมทาสูนะเราก็มีแว่นขยายนั้นได้กล่าวในวันก่อนๆว่าตัวยานทัศนะระดับต่างๆเสมือนแว่นขยายหรือกล้องหรือเลนที่สามารถซูมได้ระยะไกลๆได้แต่ว่ายานทัศนะหรือยานปัญญาที่เป็นนามธรรมนั้นสามารถที่จะขยายได้ลักษณะอันลิมิตที่จะใช้คว่าหูทิพตาทิพ เลนที่เป็นแง่ของวัตถุเนี่ยมันยังขยายได้จำกัดว่าเท่านั้นเท่านี้เท่านี้คูณเท่านั้นแล้วก็ราคาก็จะแพงไปตามชั้นของการขยายยิ่งขยายได้ซูมได้ไกลเท่าไหร่ราคาก็ยิ่งแพงอันนั้นในแง่ของวัตถุแต่ในแง่ของนามธรรมาถ้าเราขยายยานทัศนคของเราไปกว้างไปไกลไปลึกสามารถเห็นอดีตหร อ, อดีตต่งสยานสามารถเห็นอนาคตและอนาคตตงสยาน และสามารถเห็นปัจจุบันได้ชาติเรียกเป็นปัจจุปนังสยานเราก็เรียกว่าตัวเลนแห่งธรรมนี่เองดังนั้นเองเราจึงไม่สมควรที่จะมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆในตัวเรานะแต่ถ้าหากว่าจิตของเรายังไม่ละเอียดพอที่จะไปมองเห็นในสิ่งความรู้สึกเล็กๆน้อยๆได้ทันก็เริ่มจากสิ่งหยาบๆไปก่อน เริ่มจากอิริยบทสเห็นให้ชัดเห็นให้ถูกเห็นได้ตรงเมื่อดูอิริยบทสีเป็นแล้วลุกนั่งย่างเดินทุกครั้งรู้สึกตัวแล้วก็ไปดูอิริยบทย่อยเข้าไปอีกเพิ่มอิริยบทย่อยในอิริยาบถสี่พุทธเจ้าแยกไว้ยืนเดินนั่งนอนแค่นั้นนั่นแต่พอไปในอิริยบทย่อยท่านแยกไว้ถึงเจขณะที่เราสวดกันคอาโลกีเตวิโลกีเตสัมปช า, ากาลีโหติ อะโลกิเตวิโลกิไม่ใช่อ <c oughs> ภิกันเตปฏิเกนเตเดินจงกลมก้าวหน้าถอยหลังอันนี้ชุดที่หนึ่งอันที่สองอะโลกิเตวิโลกิเตเหลวซ้ายไหล่ขวาหมุนซ้ายหมุนขวาให้รู้สึกอันที่สามสัมมินชีเดปาสาลิเตสัมบะชนะกัลิยกมือสร้างเยาว์นี่เองสัมมินชิเตปาสาลิเตเพราะนั้นเวลาไปนั่งที่ไหนก็ตาม <c oughs> ถ้าใครคนใ ด, ดุคนหนึ่งมาทักทวงบอกว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยไม่มีในพระตรปิฎกแกนะให้เขาไปดูในสีิประธานสูตรหมดว่าด้วยสัมปชัญญปะป่าภาคก็คือสัมมินชิเตปาสาริเตมันอาจจะไม่ได้แปลว่านั่งสร้างจังหวะโดยตรงหรอกแต่ว่าให้รู้สึกตัวโทษเพราะเมื่อมือเหยียดเข้าคู่เข้าเหยียดออกแต่ด้วยความชาญฉลาดของเกจีอาจารย์หรือครูบาอาจารย์ท่านนามาปรับให้เป็น เยบทและเป็นจังหวะซึ่งง่ายต่อการตามรู้ตามดูตามเห็นนี่เรียกว่าในชุดที่สามชุดที่สี่ท่านใช้ก็ว่าสังคาติปัตะตจีวรธารเนสัมปชานการิโหติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะที่ทรงสังคาติบาจีวร เราจะจัดถ้าเป็นชาวบ้านก็คือมีคนรู้สึกตัวทุกพร้อมในขณะที่ทําอะไรแต่งเนื้อแต่งตัวจัดถาจัดเสื้อหยิบหยับจับจ่บวยถ้อยโฮโอชามคนนี้ให้รู้สึกตัวนี่เป็นไีเดี ย, ยบทย่อยอชุดที่ห้าอุจาราปิสาวกาเมสัมปัญชานการีโหติให้ขณะที่เข้าห้องน้ําถ่ายอุจาราปิสาวะ ให้ตามรู้ว่าเรากําลังทําอะไรชุดที่6กคเตติเตปีเตขาจิเตสายยเตสัมปชานนการิโหติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการลิ้มในการเคี้ยวในการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการทานอาหารน่ะการเคี้ยวถึงบอกว่าเคี้ยวคํานึ่งกี่ครั้งที่ว่ากันเนี่ยมันมาให้พระไตพีโดกไม่ใช่บอกแยกย่อยเอาการกันเองอการดื่มแต่ละครั้ง บางคนก็ยกดื่มอักอั ก, อ, กอักเลยนะโดยไม่รู้แต่ดื่มค่อยลินค่อยไหลลงไปทําไมทําไม่ ไ, มได้ก็เพราะมันไม่เคยะจะดื่มน้ําจะทำํำแล้วก็เสียงดังกุ้งเล้งไปหมดอย่างเงี้เนี่ยนะไม่ได้กำหนดรู้เลยซึ่งตรงเนี้ยเอามาก็ายามฝึกตัวเองฝึกแล้วฝึกแล้วแต่ก็ไม่ได้อย่างใจบางครั้งก็เผลอดังอยู่ดีแต่ถ้ามีโอกาสได้ฝึกฝึกให้เบาไว้ก่อนฝึกให้รู้ไว้ก่อนเพราะฉะนั้น แล้ววางทำอะไรอย่างมีสติกับทำอะไรอย่างขาดสติเ น, น, น, น, นี่ยอันไหนง่ายอันไหนยากกว่ากันง่ายแต่ทำไมเราชอบทำของง่ายทําทำไมไม่ชอบทำของยากยากมั่งเขาเคยชินชการเปิดประตูให้ไม่มีเสียงกับเสียงดังเ น, น, น, น, นี่ยอันไหนง่ายอันไหนยากเสียงดังง่ายกว่าไม่มีเสียงยากต้องฝึกนะ เพราะฉะนั้นในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงมีสิ่งหลายอย่างมันฝึกตัวเองสนุกนะแล้วได้เห็นตัวเองทําได้ดีใจภูมิใจว่าเออตัวเองก็ทําได้นะเมื่อก่อนเราไปเคลินเกะกะรวดเร็วใจร้อนรีบเล่งจับจดุดมักง่ายเกะกะแต่พอมาเห็นตัวเองเรียบร้อยขึ้นเรียบร้อยขึ้นตรงนี้คือความงดงามของศีเนะี่ยเป็นสีนะี่ไง นี่คือสีและสีขาไม่ใช่ไปท่องจำสีในใดสีมีเท่านั้นแ่สีและสีขาก็คือเนี่ยฝึกการใช้ชีวิตของเราจากสงคือทำอะไรด้วยความเคยชินเคยหยาบทำให้มันเบาให้มันสบายได้ฝึกตัวเองสนุกแต่ละวันนะชีวิตมันก็เลยไม่น่าเบือ่อ ได้ฝึกเดินฝึกยืนฝึกนั่งฝึกนอนฝึกกินฝึกดื่มฝึกเข้าห้องน้ําฝึกแรงต่างแต่บางครั้งก็เวลารวดรัดรวดเร็วแล้วก็ฝึกอย่างเร็วๆได้เหมือนกันนะฝึกอย่างเร็วได้ฉะนั้นจุดนี้แหละอยากจะให้นักปฏิบัติเอาไปศึกษาอันที่7็ท่านบอกว่าไงท่านบอกขัดเดนิสินเน สุดเตชาคลิเตตุนฮีพาเวสัมปชานากาเลียโฮติมีความรู้สึกัวทัูวพร้อมในการไปการมาการหลับการตื่นการนิ่งการนั่งการพูดทั้งหมดเลยเราจะเห็นว่ารายละเอียดในสัมปชัญญบะานท่านวางไว้ถึงเจ็ดหมวดแต่ในอียาปถัท่าทนวางไว้แค่สี่หมวดยืนเดินนั่งนอน นะะในเจ็ดหมวดนั่แต่มีข้อย่อยออกไปอีกอย่างที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเรามีศรัทธาและมีความเพียรมีความเข้าใจแค่นี้ก็มากพอละที่จะฝึกฝนตนเองได้อย่างเหมาะสมนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดใะไลึกในแง่ของการปฏิบัติเพราะความจริงเป็นสิ่งที่รู้ได้ง่าย แต่ที่เราพยายามที่จะรู้ยากๆมันไม่ใช่ความจริงบางทีไม่ใช่ความจริงความจริงเป็นสิ่งที่เปิดเผยเหมือนกับงายของที่ห่วงเปิดของที่ปิดชูประทีปในที่สว่างบอกทางแก่คนหลงทางนี่คือหน้าที่ของพระพุทธเจ้าเป็นการเปิดเผยความจริงเป็นสิ่งที่รู้ได้กันได้ง่ายแต่ทุกวันที่มันอะไรยากๆเพราะบางทีมันมีขอไม่จริงแฝงอยู่มันก็เลยกลายเป็นเรื่องยาก ดังนั้นอยากจะให้ศึกษาสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยน้อยในช่วงที่เราทำกิจกรรมต่างๆเราจะสังเกตได้ว่าเวลาเราตั้งใจปฏิบัติเนี่ยบาะว่าอ้าวหมดเวลาแล้วแตครึ่งเลยนะคุยกันจง้จงเงจง้งเยงวันนี้มาว่ามานั่ ง, งปฏิบัติก่อนอสงบอารมณ์ไปพักหนึ่งอันนี้ขนาดนั่งปฏิบัติปฏิบัติเข้มทั้งวันนะพาจะหลุดจะหลุดง่ายงาอย่าง้างางานตอนที่จะตอนที่จะเลิก เออเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ยเป็นสิ่งที่เราอยู่ด้วยความเคยชินนะสิ่งไหนที่ทํำง่ายๆเนี่ยเลิกทาซะบังเขาเรียกมักง่ายทําฝึกทําสิ่งที่ยากๆบางการพูดน้อยกับพูดมากอันไหนยากอันใดง่ายพูดมากมีง่ายมากแต่ว่าเป็นที่คนถ้าคนไม่ชอบพูด การพูดมากเป็นเรื่องยากการพูดน้อยเป็นเรื่องง่ายใช่ไหมแต่คนชอบพูดการพูดมากเป็นเรื่องง่ายการพูดน้อยเป็นเรื่องยากนะแล้วแต่แต่ละคนไปนะคนที่ทําโดยที่ไม่สังเกตไม่ศึกษาเรื่องนะี้ยากข้ามรายละเอียดไปหมดนะข้ามรายละเอียดไปหมดเพราะฉะนั้นตัวรายละเอียดต่างเนี่ยมันเหมาะสมมันสมควรที่จะเป็นพลัง ให้เกิดพลังสติสมาธิปัญญายมนึกง่ายๆนะว่าเวลาทานข้าวเนี่ยกว่ามันจะเอาไปย่อยเป็นพลังงานร่างกายของเราได้มันผ่านการขบวนการย่อยมากี่กระดับน่าตปลงแต่อาหารเนมาจากแหล่งของมันนะสมมุติว่าข้าวเนี่ยนะเบื้องต้นมันก็เป็นข้าวอะไรข้าวเปลือกอ่าจากข้าวเปลือกมาย่อยเป็น เข้าสารจะเข้าสารมาย่อยเป็นเข้าสุขจะเข้าสุขมาย่อยเป็นเข้าสวยเข้าสุกก็เข้าสวยนี่คุณละข้าวกันจะเข้าสุกก็เอามาเคี้ยวอีกเคี้ยวคืนลงไปแล้วมันก็องมาย่อยสลายให้เป็นน้ำแล้วน้ำตัวนี้ละเอียดจนเข้าไปสู่เลี้ยงหล่อเลี้ยงเซลล์ของเราแล้วเซลล์ตัวนี้ก็จะไปแตกเกิดแตกเป็นพลังงาน เห็นไหมจากยาที่สุดไปถึงละเอียดที่สุดชั้นใดก็ดีธรรมาธาตุธาตุแห่งธรรมก็มีการย่อยเช่นเดียวกันหลักการนั้นเดียวกันถ้าเรามีมีการบทย่อยให้ละเอียดเนี่ยธาตุแห่งธรรมนี้ก็ไม่สามารถเข้าไปเซิร์ฟไปเลี้ยงหล่อเลี้ยงวิปัสนาญาณให้เติบโตได้เพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนการทําอะไรที่ถี่ทุ่นละเอียดเพื่อที่จะย่อยาธาตุ แห่งความไม่รู้คืออวิชชาเป็นธาตุที่หยาบเพราะนั้นเขาเรียกปูถุชนะคือหยาบคือรอ w Material หมายถึงตัววัตถุดิบมันจะหยาบอาหารทุกอย่างที่เราหามาจากป่าจากเขาจากปูจากน้ำจากอะไรก็ตามมาเป็นแล้วมาสับเป็นท่อนๆเยื่อยละแล้วก็ต้องมาเย่อาายอต่อมาใส่หม้อแกงจ้าหม้อแกงแล้วไม่พอเย่อยต่อต้องให้เชื่อเพืงเพิงย่อยต่ออีก มาปรุงปรุงแล้วมาย่อยต่ออีกมาเคี้ยวมากินมาอะไรต่างๆก็จะเป็นเยอะธาตุเยอะหันตามลําดับลักษณะเดียวกันในแง่ของปรมัชญธรรมหรือในแง่ของธรรมธาตุก็เช่นเดียวกันอาศัยกระบวนการการยอ่อยตามลําดับเพราะฉะนั้นที่กล่าวอย่างนี้เพื่อจะให้เห็นขบวนการการพัฒนาจากรูปเป็นนามได้อย่างไรที่เราตั้งประเด็นมาแต่แตเบื้องต้นใช่ไหม พอจะตรองตามเห็นได้ไหมพูดอย่างเงี้ยได้ไม่ใช่เป็นเรื่องซับซ้อนเลยใช่ไหมแต่ว่าคนที่เข้าใจก็จะทําได้ง่ายแต่คนที่ยังไม่มีพื้นไม่เข้าใจก็จะรู้สึกสับสนนะดังนั้นขอให้เอาไปพิจารณาหลายๆรอบคือเรื่องเหล่านี้เอามาเองได้เห็นตัวอย่างของตัวเองแต่ว่ามันชอบศึกษา ว่าเราทุกข์เพราะอะไรตั้งประเด็นทุกข์เพราะอะไรเราหาเหตุมันก็ไปตรงของหลักอริยสัจนะแล้วทำไมทุกข์ขนาดนี้ทุกกายเป็นอย่างไรทุกกายก็ให้เกิดทุกข์จิตได้อย่างไรแล้วทุกข์จิตมันมันเกิดจากอะไรแล้วดูตั้งประเด็นที่จะตัองถามตัวเองแล้วหาคำตอบตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมจากคมพีจากตำราจากครูบาอาจารย์จากการฟังการศึกษาไปเรื่อยๆและเอามาประยุกต์มาเลือกใช้ไปแล้วที่สำคัญก็คือว่าในพุทธศาสนานั้นท่านไม่ได้แยกการศึกษาออกจากชีวิตจริงไม่เหมือนวิชาการทั้งโลกที่จะต้องไปเข้าชั้นเรียนต้องอ่านตำราอย่างนอย่างนี้นนแต่ในคาสอนพุทธเจ้าท่านให้ศึกษาชีวิตจริงการที่เราได้ศึกษาชีวิตจริงไปอย่างนี้เรื่อยๆ ขณะที่เรายังไม่สามารถดับกิเลสได้คลายกิเลขาดนี้ท่านเรียกว่าเสขาบุคคลเมื่อศึกษาจนละเอียดทีทุ่นแล้วหมดข้อยสงสัยในเรื่องราวที่ต้องศึกษาและความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆก็ค่อยหายหดหมดไปด้วยแล้วเรียกว่าอเสขาบุคคลคือไม่ต้องศึกษาอีกต่อไปมันหายสงสัยนั่นเอง ทีนี้เราการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นอิสระในการชีวิตเพราะรู้จักใช้แล้วเพราะรู้จักกลไกลของมันเหมือนโยมมีรถคันหนึ่งโยมรู้จักกลไกลในการขับในการไปการมาเป็นอย่างดีแล้วก็โยมก็ถนอมใช้มันเพราะรู้กลไกลว่าทำไงรถถึงจะอายุยืนทำไงรถถึงจะปลอดภัยคอยดูแลคอยแต่งคอยซ่อมคอยรถคันนั้นแม้จะใช้มาเป็นเวลา20 30ปีก็เสมือนรถใหม่อยู่เลย แต่ต่างกับคนที่ไม่รู้จักระบบหรือใช้รถไม่เป็นบางทีออกจากห้างร้านมาไม่กี่เดือนไม่กี่ปีก็เกิดอุซิเนต์ตายทั้งรถทั้งคนก็มีใช่ไหมนี่คือความไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ชีวิตเราก็เหมือนกันวันวันหนึ่งนะ่มันเกิอดอุบัติเหตุปีใหม่นี่กะว่าเป็นศูนย์ะตายแต่เดี๋ยวนี้ปาเข้าไปทั้งสามรอยกว่าชีวิตแล้วนะตายเห็นไมแค่ไม่ถึงเจ็ดวันนี่ แต่ว่านั่นคืออุบัติเหตุภายนอกแต่อุบัติเหตุภายในใจของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาการทําที่เราเกิดความผิดพลาดไม่เรียบร้อยเนี่ยเป็นอุบัติเหตุล้ตลอดนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปตั้งกรณีศึกษาไว้ไกลตัวเองเดินไปสะดุดนิดนึงก็อุบัติเหตุเกิดแล้ขาดสมิเมื่อไราก็อุบัติเหตุเกิ ด, กดตลอดเวลาส่วนจะเกิดมากเกิดน้อย ขึ้นอยู่กับกรณีที่เราจะศึกษาในแบบไหนนะันะั้นะเรื่องเหล่านี้จึงน่าน่าศึกษามากนะตลอดเวลาไม่ว่าทางด้านกายศึกษาเรื่องกายศึกษาเรื่องใจศึกษาเรื่องกายว่าใจใจเนี่ยเขาเรีกนะรยกวิสนะัยนะเขาตรีปิฎกอันนพ้นพุทธเถรเลยสรุปสามปิฎกเนีว่ากายเป็นพระวินัยปิฎกต้องใช้ ให้ร่างกายนี้มันระเบียบวินัยเอาไว้นะว่าจะเป็นสุตันตปิฎกคือสิ่งที่ต้องพูดต้องฟังกันต้องศึกษาต้องทําความเข้าใจทางด้านใจเรียกว่าอภิธรรมปิฎกก็เรียกปรมาติปรมัตธรรมหรืออภิธรรมนะดังนั้นก็อยู่ในตัวเรานี่หมดเพียงแต่ว่าเราจะต้องศึกษาให้เป็นตามลําดับ ทั้ะนั้นการที่เรามีชีวิตขึ้นมาเป็นสิ่งวิเศษเหลือเกินถ้าเราไปเกิดเป็นอย่าว่าเป็นสิงสาราสัตว์เลยไปเกิดเกิดเป็นในตระกูลในศาสนาอื่นในตระกูลที่เป็นมิจฉาทิฐิเราไม่มีโอกาสเลยไม่มีสถานเรื่องใส่ในพุทธศาสนาไม่ต้องกล่าวไปถึงว่าเป็นสิงสาราสัตว์เกินมาเป็นคนก็ไม่ใช่อยาว่าโชคดีเหมือนกันทุกคน ถ้าเกิดในศาสนาอื่นในเรื่องใสในศาสนาอื่นในรัฐที่อื่นหรือเป็นพุทธเหมือนกันแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ไม่สามารถจะมารู้มาศึกษาเรื่องนี้ได้เหมือนกันดังนั้นเราโชคดีขนาดไหนที่ได้มาศึกษาเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สําคัญดังนั้นโอกาสอย่างนี้โอกาสที่ทําความเข้าใจโอกาสที่พาปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นและอามาก็ใช้อยากใช้ชีวิตอยู่กับงานอย่างนี้ เพราะมันได้ประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นพระพุทธเจ้าท่านสั่งเอาไว้จงบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคนส่วนใหญ่บำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นด้วยความประมาทอ่าด้วยความประมาทเพราะต้องการไม่ต้องการที่จะผลประโยชน์คือประมัตทบประโยชน์แต่ต้องการให้ส่วนที่เป็นผลประโยชน์ไม่ใช่ประมตทประโยชน์นะ ดังเราทั้งหลายนี่ต้องสำรวจตรวจสอบตัวเองว่าเราเกิดมาที่นี่เราจะเอาอะไรเป็นประโยชน์ที่แท้จริงของชีวิตจะเอาทรัพสมบัติเงินทองจะเอาชื่อเสียงลาภสกุลเป็นประโยชน์หรือว่าจะเอามรรคผลนิพพานเป็นประโยชน์เรียกว่าปรมัถประโยชน์ประโยชน์อย่างสูงสุดถ้าเรามุ่งเอามรรคผลนิพพานเป็นประโยชน์หรือปรมัทพประโยชน์แล้วเนี่ยเราต้องเริ่มแสวงหาทรัพย์สิน ที่เป็นปรมัติตตั้งแต่บัดนี้ไปเรื่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปคนที่เขาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีที่เขาเป็นได้เพราะเขาเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่เล็กน้อยจนไปถึงณปัจจุบันเงินทองไหลามาเทมาเกิดงอกออกดอกออกผลมาใช้ไม่หมดชั้นใดก็ดีถ้าเราสแสวงหาปรมาจิประโยชน์เราต้องเก็บเล็กผสมน้อยจากเนี่ยจาก การเคลื่อนการไหวที่มีอยู่ตลอดเวลาเล็กๆน้อยนไล่เก็บให้หมดคือไล่ตามรู้ตามดูตามเห็นเรียกว่าเก็บนะสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วตลอดเวลาเราจะต้องเข้าไปแปลสภาพให้เป็นทรัพย์เรียกว่าอารียทรัพย์ให้ได้คนที่มีความรู้มีความสามารถทางด้านวัตถุเขาสามารถแปลงสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์เรียกว่าโภคคายซับ เป็นถึงมหาเศรษฐีแต่ในแง่ของเราเป็นพุทธบริษัทเราต้องไม่ใช่บริษัทโดยทั่วไปบริษัทนี้ต้องการปรมามตประโยชน์ไม่ต้องการพวกคประโยชน์หรือผลประโยชน์ดังนั้นเราจะต้องมีศรัทธาในการเก็บอเดียบทเล็กๆน้อยๆที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยให้เป็น ทรัพย์สินให้เป็นทุนให้ได้ร่างกายนี้เป็นทุนความทุกข์นี้เป็นทุนความที่เรารู้จักทุกข์นั้นและออกจากทุกข์ได้นั้นเป็นกําไรเพราะฉะนั้นทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องรังเกียจหรือกลัวหรือวิ่งหนีแต่ทุกข์ต้องให้รู้จักตามหลักของอริยสัจให้รู้จักแต่สิ่งที่จะทําให้เกิด ทุกนั้นต่างหากที่เราจะต้องระมัดระวังจะต้องละนะคือจะต้องละในส่วนที่มันใช้ไม่ได้ในส่วนที่เราไม่สามารถจะแปลงได้แต่ทุกนั้นถ้าเราศึกษาเราเข้าใจแล้วสามารถแปลงให้มันเป็นผลได้แปลงให้เป็นนิโรธได้ด้วยการรู้เข้าไปตามรู้เข้าไปแล้วแก้ไขตามลำดับ เมื่อมันเป็นนิโรธเป็นมรรคเมื่อไรมันก็เริ่มเป็นอริยทรัพย์แล้วเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาในในศึกษาในเรื่องนี้ถ้าหาว่าเข้าใจอย่างถูกต้องและเป็นคนที่ล่ำรวยที่สุดเมื่อก่อนอรด า, มาไม่เข้าใจว่าท่านตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกว่าบุคคลเป็นพระโสดาบันนั้นได้สมบัติสมบัติของพระโสดาบันนั้นเป็นอริยสมบัติเ ร, รียทรัพย์นั้น เอาสมบัติของพระโสดา บ, บันมาแยกเป็นเป็นสิส่วนอ่าเป็น16ส่ว น, น, วนท่านบอกว่าในส่วนที่16เนี่ยยังมากกว่าสมบัติของมหาจักรพรรดิอีกเอามาฟังแล้วก็งงหมายความว่า ไ, ไงพอมาเข้าใจปัจจุบันอจริง เพราะว่าสมบัติของมหาจักรพรรดนั้นมันเป็นสมบัติที่ต้องทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่สมบัติของพระโสดาบันนั้น <s> เป็นสมบัติที่นำให้เกิดสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด <_? S 1> เพราะฉะนั้นจึงเปรียบเทียบกันไม่ได้ในแง่ของคุณค่าดังนั้นเองจึงอยากจะให้ท่านโยมทั้งหลายเนี่ยอย่าประมาทใน การเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆให้ใส่ใจเหมือนกับคนที่ต้องการเป็นเศรษฐีจะประมาทเงินเล็กเงินน้อยไม่ได้จะต้องเก็บสั่งสมไปเราต้องการที่เป็นปรมัตถประโยชน์อย่างสูงสุดเป็นเศรษฐีทางธรรมต้องไม่ประมาทในรบุญเล็กๆน้อยๆภาพตาอ้าปากหายใจเราพูดเราท่องจนขึ้นใจแต่ในภาคปฏิบัติเรายัางละเลยยังประมาทอีกมาก เพราะนั้นหน้าที่ของครูบาอาจารย์คือต้องบอกต้องเตือนต้องให้สติต้องคอยดูแลซึ่งกันและกันและเราก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นกิระยาณมิตรกิริหายของกันและกันคนไหนยังประมาทอยู่เราต้องสามารถตักเตือนและบอกกันได้ในฐานะเป็นผู้แสวงหาผลประโยชน์ทางนามธรรมา ท, ทางปรัชญธรรมแล้วเมื่อได้รับการตักเตือนไม่รับการบอกแล้วต้องไม่ เกิดขุนหิทไม่เกิดปฏิฆะไม่เกิดการาโทมานจิตต้องมีจิตอนุมโมทนาและขอบคุณถ้าหากว่าเราไม่เป็นกกรมิตไสท์ที่แท้จริงแล้วเราจึงไม่กล้าที่จะบอกจะเตือนกันโดยตรงดังนั้นเราจึงไม่คนประมาทในเรื่องอย่างนี้และนับแต่นี้ไปจนถึงวันเราป่วยเราตายเนี่ยรับรองได้ว่าเราจะต้องมีที่พึ่งระดับใด ร, ระดับหนึ่ง ในระหว่างมรรคผลผนิพพานเท่าเริ่มเก็บไปด้วยศรัทธาและความเพียรต้องมีข้อแม้ว่าต้องมีศรัทธาและความเพียรแล้วศรัทธาและความเพียรที่ถูกต้องจะก่อให้เกิดสติสมาริปัญญาที่ถูกต้องด้วยนะนั่นเรื่องเหล่านี้จึงอยากจะให้ช่วยกันทำให้หลากหลายผู้ใดมีปัญญาบารมีมีภูมิปัญญามาก คนนั้นก็จะหาเก็บรายละเอียดได้มากได้แบ่งปันให้เพื่อนได้มากคนไหนมีสติพื้นฐานปัญญามาน้อยก็จะได้รับส่วนแบ่งปันก็คือนําไปปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ตามกําลังศรัทธาของตัวเองนั้นในบรรดาพวกเราทั้งหลายเนี่ยคนใดคนหนึ่งต้องมีภูมิปัญญาสูงแต่ว่าศรัทธาและความเพียรยังไม่พอเท่านั้นเองตัวภูมิปัญญาเหล่านั้นยังไม่ออกมาได้เต็มที่ แม้จะมามีเพียงน้อยนิดขณะนี้ก็ยังบริหารได้ขณะ น, นี้ถ้ามีมากกว่านี้จะช่วยกันได้มากกว่านี้อีกดังนั้นจึงอยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยไม่ประมาทตัวเองไม่ดูถูกตัวเองแต่ในขณะเดียวกันก็จะไปยกหูช่วองตัวเองก็ไม่ได้แต่ต้องใช้ตัวเองให้ถูกผูกตัวเองให้เป็นเห็นตัวเองให้ชัดจัดตัวเองให้ถูกแล้วเราก็จะได้ประโยชน์ตัวนี้นะนังนั้นเอง การที่เรามาใช้สถานที่นี้ามาว่าเป็นสถานที่ยอดเยี่ยมที่หนึ่งถึงแม้ว่าเสนาสนะที่พักพาอาศัยยังไม่สะดวกแต่ในอนาคตต่อไปถ้าช่วยกันประคับประคองโดยที่ไม่มีฝศปัญหาอะไรก็จะเป็นสถานที่ที่ปฏิบัติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งแต่มายังไม่ได้ไปศึกษาในแง่ของรายละเอียดด้านทางกฎหมายถ้าคณะสงฆ์ก็ดีทางบ้านเมืองก็ดี ยังไม่ได้ไปลงลึกตรงนั้นก็าฝากเรื่องนี้ให้กรรมาการไปพิจารณาให้มันถูกต้องทั้งสองฝ่ายทางคณะสงฆ์ก็ดีทางบ้านเมืองก็ดีเพราะมันเป็นฐานส ม, มุตริรองรับความเป็นไปเพื่อที่ให้มันยั่งยืนคิดว่าอนุชนรุ่นหลังที่จะตามเรามาเนี่ยเขาต้องศึกษาได้ดีกว่าเราเพราะเขาได้รับข้อมูลจากปัจจุบันเนี่ยมากพอสมควรสาหรับคนที่มีสัมมาทิฏฐิ แต่ก็ปัญหาก็เยอะเพราะปัจจุบันนี้การส่งเสริมมิจฉาทิฐิก็ระบาดกว้างขวางแต่ในกลุ่มของมิจฉาทิฐิก็มีสมาธิทิฐิอยู่ดีมันเป็นคู่กันนะไม่มีอะไรที่จเจริญโดยฝ่ายเดียวแต่ข้างไหนจะน้อยจะมากเท่านั้นเองในแต่ละยุแต่ละสมัยอันนี้คือการนําเสนอมาทั้งหมดในเย็นวันนี้ถ้าท่านผู้ใดมีอะไรที่ต้องการศึกษาในรายละเอียดแล้วก็ ไม่ชัดเจนในเมนเทคที่มาได้กล่าวมาทั้งหมดก็ขอให้สักถามได้ก่อนไม่มีอะไรสงสัยแจ่มแจ้งชัดเจนทุกประเด็นเอาลองไปปฏิบัติก่อนอ่า ก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรสงสัยสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยหมดจดและชัดเจนไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะก็คิดว่าสิ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นคําพูดที่มาพูดขึ้นมาเองแต่ว่าเป็นการศึกษาในตัวเองแล้วเอาไปเปรียบเทียบกับคำภีร์ตําราและประสบการณ์อีกหลายๆท่านแล้วออกมาว่มามันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ เ, าเอาไปพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้วันนี้ก็คือว่าอาริยะกันตะศีนเป็นศีลที่น่ารักษาคือศีลของพระอริยะศีลอันประเสริฐนะคือศีนยังไงอย่างที่มาว่าเมื่อกี้คือจัดระเบียบตัวเองให้ได้การจัดระเบียบกายตัวเองเคยเป็นคนร้อนคนเร็วคนรีบก็ให้ช้าลงหน่อย เคยเป็นคนสะเพร่ามากง่ายก็ให้ละเอียดขึ้นอีกหน่อยเคยเป็นคนเรียกว่าทำอะไรตามอารมณ์ก็ให้มีเหตุผลมากขึ้นแค่นี้ศึกษาตามลำดับอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ่งศึกษายิ่งขัดเกลาไปเราก็จะยิ่งงดงามในแง่ของพระธรรมวินัยแต่งดงามตามสมมุติโลกภายนอกนะ เราไม่ถึงกับว่ามาตกแต่งตัวเองให้เป็นรูปแบบะบบนั้นแบบนี้แหละสมมติโลกเขานิยมส่วนใหญ่เขาก็นิยมแบบไหนก็ไปตามเขานั่นแหละพออาศัยเขาได้เป็นการแบ่งปันในสิ่งที่ดีต่อกันเท่านั้นเองนะแล้วในส่วนของการดูแลร่างกายให้ดีไม่มีโรคภัยเบียดเบียนก็เป็นสี น, นหนึ่ง การมีโรคภัยเบียดเบียนนั้นก็สอถึงว่าการรักษาศีลในส่วนนี้ไม่ค่อยดีก็ต้องดูแลถ้าเรามีศีลดีๆแล้วท่านบอกคนไหนผิดศีลบ่อยๆสุขภาพไม่ดีก็เป็นจริงเพราะไม่มีระเบียบในอยู่การอยู่การกินไม่มีระเบียบในการจัดสิ่งแวดล้อมให้กับตัวเองก็จะได้รับผลตรงนั้นนะ ไม่ว่าเรื่องเครื่องใช้ปัจจัยสีเลยต่างๆท่านใช้ก็ว่าปัจยยะสานิสิตาสินนะในอ า, อาชีวะผริสุทธิสีซึ่งีนี่ย น, นะที่จะนำไปสู่อรไยการแต่สินก็คือจัดระเบียบตัวเองนี่แหละนะเช่นว่าเป็นผู้สํารวมมิอทราสัมผัสรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อไปกระทบกับต า, ารูปเสียงกิจโลดเข้าก็ต้องระวัง ไม่สนุกสนาไม่เพลิดเพลินในอาสาทะของมันนะแล้วก็สํารวมในศีลปฏิโมคสงวนคือข้อระเบียบกฎเกณฑ์อะต่างๆพอทำได้ก็ทำพอทำไม่ได้ก็ต้องประยุกใช้ให้เป็ น, ป, จจ น, น, นปัจจัยสันนิศิตศีลพิจารณาปัจจัยสีอาหารเครื่งหนึ่งหมที่อยู่อาศัยยายารักษาโรคสิ่งเหล่านี้ก็ พิจารณาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันเนี่ยอามาก็เลยจะช่วงสุดท้ายจะบอกยาสักขนานสองขนานง่ายๆก็คือการรักษาโรคด้วยตัวเองนะปัจจุบันนี่มาตามปกติหน้าหนาวต่อร้อนเนี่ยจะเป็นหวัดที่รุนแรงภูมิแพ้กลับคืนมาเนี่ยพอมาปัจจุบันพอมาฉัน มะนาวโซดาน้ำผึ้งหลายวันติดต่อกันมาก็ปรากฏว่าเออดีขึ้นจมกูกไม่แน่นน้ำมกูกไม่ไหลตาไม่คันเอ อ, อนนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็มีอะไรหลายอย่างถ้าหากว่าเราสนใจในแง่ของการดูแลสุขภาพก็ให้ใช้แพทย์ทางเลือกเป็นส่วนใหญ่ถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ใช้แพทย์ทางเคมี เพราะว่ามันมีสัตว์ตัวค้างเยอะแยะคนณะนนเองก็ขอฝากเรื่องนี้ไปศึกษาเพื่อรักษาศีนทางกายทั้งใจให้สมบูรณ์ก็สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดขอให้นำไปพินิษพิจารณาเลือกศึกษาไม่ใช่ถูกทั้งหมดและไม่มีผิดทั้งหมดจะขอให้ไปศึกษาไปพิจารณาไปทดสอบทดลองให้เป็นประสบการณ์ของตนเองแล้วสิ่งนี้จะเป็นสมบัติ เรียกว่าเป็นอรียทรัพย์แล้วเราก็จะเป็นคนร่ํารวยความสุขความสงบโดยที่ไม่ต้องไปสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองให้ลาบากก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะศึกษาเรื่องนี้ไปไม่ท้อถอยจนสามารถที่จะสัมผัสเศจษธรรมในตัวเองท่านสูงสุดด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ